ผูโทรสวัสดีค่ะท่านฟันที่ครบค่ะรายการสันสานิสนทนานะคะก็มามอบธรรมะให้กับท่านอีกแล้วเป็นเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะทางสถานวิทยุครอบครัวข่าว f m 1 0ออยหกดิฉันหอเสนอหน้าพงเป็นผู้ดำเนินรายการและจะมีพระมหาภัยบุญอภิปุโนจากวัดป่าดอนหายโศกอุดรธานี พระอาจารย์ที่สอนทางด้านการปฏิบัติแล้วก็คล่องแคล่วในเรื่องของคําสอนของพระาศาสดามาเป็นผู้เปิดธรรมที่ถูกติดด้วยพุทธวจนะให้กับท่านค่ะเราจะเริ่มต้นกันด้วยการให้พระอาจารย์เนี่ยนะคะนำท่านทั้งหลายปฏิบัติธรรมเสมือนหนึ่งว่าได้เดินทางไปปฏิบัติที่วัดของท่านซึ่งมีคอร์สอยู่เป็นประจำทุกเดือนทุกเดือนนั่นก็คือวัดปาดอนหายโสดอุดรนธานีเตรียมตัวกันเอาไว้เลยนะคะเพราะว่า ในีไม่กี่ใจข้างหน้าท่านก็จะนำพวกเราเข้าสู่การปฏิบัติแล้วก่อนจะไปฟังการขยายความธรรมะต่อไปค่ะกลับมาวั صار กับท่านทั้งมส์บอลในเรื่องของการปฏิบัตินั้นเราก็เริ่มจากการที่มีสตินะคือนั้นตอนที่พระเจ้าหลังจากตรัสรู้ใหม่ๆยังไม่ได้บอกสอนใครก็มีความคิดว่าเออจะสอนธรรมะหมวดไหนดีแล้วก็มีความปริวิตกขึ้นในใจถึงเรื่องเกี่ยวกับสติปัฏฐานนั่นเอง เพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะเริ่มการปฏิบัติเราก็เริ่มด้วยการที่ตั้งสติขึ้นเอาไว้โดยการที่ใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือลมหายใจที่เราหายใจเข้าหายใจออกอย่างเป็นธรรมชาติธรรมดาสามารถที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการที่จะให้จิตของเรานั้นมาตั้งอยู่ได้โดยที่เราระลึกถึงลมหายใจของเราที น, นี้ลมหายใจของเรามันเข้ามันออกมันยาวมันสัน้นมันเปลี่ยนแป ล, ปลงไปแล้วเราก็เอาสักจุดหนึ่งที่เรารับรู้ถึงสัมผัสของลมหายใจได้ เอาจุดนั้นแหละเป็นจุดที่เราจะตั้งจิตอาไวา้เวลาที่เราจะมาระลึกถึงลมหายใจนั้นก็ให้เราแค่ทําความระลึกถึงนึกถึงนั่นคือมารับรู้ถึงสัมผัสที่เกิดขึ้นอยู่ในโพรงจมูกการฝึกตรงนี้บางทีก็ใช้ความพยายามด้วยเหมือนกันนั่นเป็นการที่เราจะต้องตั้งความเพียรเอาไวา้นั่นบุคคลที่ถ้าเผื่อว่ามีความเพียรในการที่เราพยายามจะตั้งสตินั่นก็เป็นสัมมาวายามะ ท, ทิิคือความเห็นที่เราจะมาตั้งสติขึ้นเอาไว้นั่นก็เป็นสมารถทิฏิสติที่เกิดขึ้นนั้นก็เป็นสมารสติพระเ้าเคยเปรียบเทียบเรื่องของการฝึกจิตนะเปรียบเทียบกับการที่ในสารถีฝึกช้างหรือฝึกมา้านะได้เคยตรัสเล่าเรื่องเปรียบเทียบนี้ให้กับภิกษุที่ชื่อพัทลนะิได้เล่าไว้อย่างนี้ว่าเปรียบเหมือนคนผู้ฝึกมา้าผู้สามารถ ได้มาอาชาในพันดีมาแล้วในชั้นแรกย่อมฝึกให้รู้จักการรับสวมบางเหียนเสียก่อนเมื่อม้านั้นถูกฝึกให้รู้จักการรับสวมบางเหียนอยู่พยศต่างๆที่ม้าประพฤติเป็นค่าศึกเป็นหลักตอเซผิดดิ้นรนเหมือนลักษณะของม้าที่ยังไม่เคยถูกฝึกนั้นก็ยังมีอยู่บ้าง มานั้นเพราะถูกฝึกเนืองเนืองถูกฝึกซ้ำาๆซากๆากเข้าก็หมดประโยชน์ในข้อที่ไม่รับสวมบางเหียนั้นและเมื่อม้าอาชัยพันดีตัวนั้นถูกฝึกเนืองเนืองถูกฝึกซ้ำาๆซากๆเข้าจนหมดประโยชน์ในข้อนั้นแล้วคนฝึกมา้าก็จะทำการฝึกม้าให้ยิ่งขึ้นไปด้วยการเทียมแอก เมื่อม้าอาชานายพันดีตัวนั้นถูกฝึกเนืองเนืองถูกฝึกซ้ำซ้ำซากๆาเข้าจนหมดประโยชน์ในข้อที่ไม่รับแหกนั้นแล้วเมื่อนั้นคนฝึกม้าจะทําการฝึกให้ยิ่งขึ้นไปในการแยกขากระโดดเพล่าขึ้นพร้อมกันทั้งสีขาฝึกให้ยิ่งขึ้นไปในการเอี้ยวตะแคงตัวเป็นวงกลม จนผู้ขี่หยิบอาวุธที่ตกดินได้ฝึกให้ยิ่งขึ้นไปในการสามารถวิ่งจรวดแต่ปลายกีบจนไม่เกิดเสียงฝึกให้ยิ่งขึ้นไปในความเร็วทั้งตีหนีและตีไล่ฝึกให้ยิ่งขึ้นไปในการไม่กลัวเสียงออกระตึกทุกชนิดฝึกให้ยิ่งขึ้นไปในการรู้คุณค่าของประาจาฝึกให้ยิ่งขึ้นไป ในการทําตัวให้สมเป็นบ่งพระยาหมาฝึกให้ยิ่งขึ้นไปในความเร็วเป็นเลิศในความเป็นยอดมา้าในความที่ควรแต่การฟังแต่คําที่นิ่มนวลเมื่อมานั้นถูกฝึกหนึองเนืองถูกฝึกซ้ํ ซ, ซ้ซากๆากเข้าก็หมดประโยชน์ต่างๆใน10บข้อเหล่านั้นเมื่อใดหมาอาชนายพันดีตัวนั้น ถูกฝึกเนืองเนืองถูกฝึกซ้ำๆ ซ, ซากๆเข้าจนหมดประย์ทุกอย่างแล้วเมื่อนั้นคนฝึกมา้าก็ย่อมฝึกนาตัวนั้นให้เพิ่มเติมยิ่งขึ้นไปโดยทั้งคุณภาพและกำลังม้าอาชนา이พันดีที่ประกอบด้วยองคุณ1ิบประการเหล่านี้แหละเป็นม้าที่คู่ควรแก่พระราชาจะใช้เป็นพระราชปานาได้ และจัดได้ว่าเป็นองค์อวัยวะของพระราชาข้อ น, นี้ฉันใดหธอผู้ใดที่ประกอบด้วยองคุณสิบประการต่อไปนี้ย่อมเป็นผู้ควรแก่ของบูชาควรแก่การต้อนรับควรแก่ของทำบุญเป็นผู้ควรทามัญชลีเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งไปกว่าสิบอย่างคือท่านั้น เป็นผู้ประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิอันเป็นอาเสค่ะประกอบด้วยสัมมาสังกปะสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายมะสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมายานะและสัมมาวิมุตติอันแต่ละอย่างเป็นอาเสค่ะเมื่อบุคคลประกอบด้วยองค์ุณสิประการเหล่านี้แหละ ย่อมเป็นผู้ควรแก่ของบูชาควรแก่การต้อนรับควรรับทักษิณาทานเป็นผู้ควรทำมัญชลีเป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าและนี่คือประมาทปไม่ที่บูชาเปรียบเทียบไว้ต่อการฝึกจิตเปรียบเทียบต่อการฝึกมา้าเช่นกันสาธุค่ะท่านฟังก็ฟังรายการนี้ก็อาจจะเคยได้ยินเรื่องเกี่ยวกับม้าอาชานไยมาก่อนในพระสูตรอื่นแต่ว่า เป็นคนละพระสูตรกับพระสุนี้ใช่เพียงแต่ว่าเปรียบกับม้าอาชาไนาเหมือนกันในส่วนของม้านะคะฟังดูก็ยังพอเข้าใจถึงแม้ว่าจะไม่เข้าใจแบบคนที่มีประสบการณ์ในด้านการฝึกมา้าเพราะว่ามีความละเอียดประณีตหลายๆอย่างยกตัวอย่างเช่นนะคะท่าอาจารย์ที่บอกว่าฝึกให้ดิือชนชอบตรงที่บอกว่าทาตัวให้สมกับเป็นวงพญามา้ากับอีกอันหนึ่งก็คือ ในความควรค่าเกี่ยวกับการฟังแต่คําที่นิ่มนวลใช่โผยาม้าได้ตวาดไม่ได้แล้วนะคะพยาม้าเนี่ยก็ไม่กินอาหารที่แบบธรรมดาธรรมดาด้วยอือค่ ะ, ะทีนี้นั่นคือมา้าแต่พอมาถึงในส่วนของฝึกภิกษุอันนี้ไม่ได้หมายถึงฆราวาสใช่ไหยคะท่านคะหมายถึงภิกษุของท่านเลยใช่ใช่ใช่คือ น, นี่เป็นยอดเลยก็คือเป็นพระอาหารหันเลยนั่นงอะสิคะ คือดิฉันฟังแล้ว8ข้อที่ว่าต้องมีผู้ประกอบด้วยสัมมารเริ่มตั้งแต่สัมมาทิฏฐิเรื่อยไปจนกระทั่งถึงข้อที่8อ่ะสัมมาสมาธิอันนี้เราคุเคยกันดีอยู่คือ ม, มีเรื่องของมัชมีองค์8อ่ะแต่มีมีอะไรโคลงอีกสองสัมมาละคะท่านอาจารย์อันนี้<า>คือสัมมาญาณนะแล้วก็สัมมาวิมุตติ10บหมวดธรรมเนี่ยพุทธเจ้าใช้คําที่เรียกว่าสัมมัตตสัมมัตต นะั่นก็คือหมายถึงมรรคแปดบวกด้วยสัมมา ย, ยาณแล้วก็สัมมาวิมุตินั่นเองอนะก็คือคนที่ปฏิบัติตามมรรคแปจนกระทั่งมันถึงที่แล้วก็จะมีญาณอย่างรู้มีวิมุติคือความหลุดพ้นญาณเนี่ยแปลว่าความรู้วิมุติคือความหลุดพ้นนั่นเองก็คือเพิ่มเติมขึ้นมานั่นแหล ะ, ะค่ะท่านผู้ังคะถ้าท่านรู้จักอริยสัจสี่ของพระพุท ธ, ธเจ้าเนี่ยจะมีในส่วนของมรรคคือการปฏิบัติให้ถึงทางดับทุกข์ซึ่งจะประกอบ ด้วยสัมมาต่างๆแต่ประการดังที่ท่านได้กลับเรียนถามท่านพิบูลเมื่อสักครู่นี้นั่นแหละนะคะทีนี้อันเป็นอาเสค่ะค่ะเหมือนคนไ<อ>ม่คุ้นนค่ะอาเซค่ะนี่คือในระดับที่ว่าไม่ต้องฝึกเพิ่มแล้วอาเซค่ะเนี่ยหมายถึงว่าก็คือความเป็นพระอรหันตะ์เหมือนกับถ้าเปรียบเทียบกับไปที่มาใช่ไหมก็คือว่าไอ้เจ้าพยศหรือว่าความเสพผิดดิ้นรนในแต่ละข้อแต่ละข้อเนี่ยหมดสิ้นแล้วก็เหมือนกันว่าสัมมาวาจายอย่างเงี้ย ชนี้เป็นอเัเซกะแมมมันไม่มีอะไรที่จะด่างป้อยเลยนะฝึกเสร็จสิ้นหมดเรียบร้อยนี่คือความเป็นอเัเซกะตรงนี้หมายถึงค่ะทีนี้ในส่วนของอบอกว่าถ้าประกอบด้วยองค์ประกอบสิบอย่างคือสัมมาต่างๆดังที่ได้กล่าวไปแล้วเนี่ยนะคะบอกว่าย่อมเป็นผู้ควรแก่ของบูชาแก่ของต้อนรับแก่ของทําบุญควรทําอัญชลีเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าดิฉันจาได้ว่าในบทที่เราสวดสรรเสริญ พระสงฆ์ใช่ใช่นี่แหละใช่ไหมคะเี๋ตรงนี้แหละก็คือพระสงค์ของพระพุทธเจ้าจะต้องเป็นเช่นนี้ใช่แต่ตอนนั้นยังไม่เข้าใจสิบข้อนี้อันนี้อันนี้คือเป็นผลนะแล้วจะมีสี่ข้อแรกก่อนก็คือว่าปฏิบัติดีนะสุปฏิปันโนใช่ไหแล้วก็ยายะปฏิปันโนนะคือปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติควรปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์ค่ะแล้วก็จึงเป็นผู้ที่ควรแก่ของบูชาควรแก่การต้อนรับพวกนี้ เป็นทักกินยบุคคลอย่างเงี้ยอันนี้คือเป็นผลที่จะเกิดขึ้นเท่ากับว่าสิบ ป, ประการที่ภิกษุเป็นผู้ประกอบด้วยในพระสูตรที่ท่านได้นำเอามานำพวกเราปฏิบัติธรรมแล้วก็ขยายความอยู่ในขณะนี้เนี่ยถือว่าเป็นส่วนของในสี่ประการแรกในบทสุ ป, ปฏิปันโนใช่ใช่ท่านคางั้นก็เท่ากับว่าพระพุทธองค์เนี่ยได้ได้ ทรงตั้งเป้าให้พระสงฆ์ของพระพุทธองค์บรรลุธรรมทุกรูปสิทธา<อ>ท้อ๋อใช่นะใช่ถูกต้องถูกต้องนะคือชั้นชนิดที่ว่าเป็นพระอาหารหันต์เลยละ่ะคือคือตอนนี้คู่แห่งบรุรสี่คู่เนี่ยที่พระเจ้าขยายความไปตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยสุดท้ายก็คือจะจบที่อรัตผลถูกไหมแล้วแต่ว่ามันก็ไล่ขึ้นไปนะตั้งแต่โซดาปฏิมาจนถึงโซดปฏิผลก็ไล่ขึ้นไปก็ได้ค่ะ ท่านฟังที่ครครัต้องแทรกตรงนี้นิดหนึ่งที่ท่านพิบูลได้พูดถึงคู่แห่งบุตรสีค่คู่อันนี้เป็นบทในการสาธยายเพื่อสันเสริญพระสงค์ส่วนหนึ่งที่พูดถึงว่าพระสงค์ที่มีคุณลักษณะอย่างนี้เนี่ยได้แก่บุตรสีค่คู่บุตรสี่คู่นั้นคือบุรุษที่อยู่ในขั้นอาอริยบุคคลถูกไหมคะถูกต้องถูกต้องค่ะซึ่งจะมีอยู่สี่ระดับนะคะท่านฟังอ้าวแล้วทําไมเป็นแปด ท่นที่บุอธิบายแล้วค่ะก็คือคู่อย่างคู่แรกนะก็คือโสดาบันโสดาบันคู่แรกก็คือเป็นมร์กับผลนะมร์เนี่คือกําลังเดินอยู่บนหนทางนี่ยที่จะไปสู่โสดาปฏิผลพอคุณเดินจนสุดแล้วคุณได้ผลแล้วก็เป็นโสดาปฏิผลสกาธาคามีก็เหมือนกันอนาธากามีก็เหมือนกันรันตะก็เหมือนกันอารัตมร์ก็มีนะคุณเดินไปจนสุดทางแล้วก็เป็นอารัตผลอย่างเงี้ยค่ะคือสร้างเหตุมร์นี่คือสร้างเหตุกําลังทําอยู่ นะครับผลคือบรรลุแล้วใช่แล้วไอ้อที่ว่าอาศขาเนี่ยคือตรงอรตัตผลตรงนั้นเนีเพราะฉะนั้นตั้งแต่โซดาปฏิมาค์โซดาปฏิผลสกัตถะมีมรัสกัตถะมีผลอนาคามีมรัสอนาคามีผลตรงนี้ยังเป็นเสขะอยู่ยังต้องศึกษาทําความเพี่ยนปฏิบัติอะไรไปอยู่นนจนกระทั่งถึงอรตัตผลอันนั้นก็คือจบละฝึกเสร็จเรียบร้อยครบถ้วนตัวกระบวนความ <Ooh. S 2> ก็ต้องขั้นที่สี่เลยถึงเป็นอเซขาดอย่างนั้นถูกไหมถูกต้องถูกต้องใช่ไหคะคือเป็นพระอระหันต์อันนี้ถือว่ า, าบรรลุธรรมพ้นทุกแล้วพ้นกิเลสทั้งหลายทั้งปวงก็คือมีประเด็นหนึ่งที่อาารมาต้องการแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับเรื่องการฝึกซ้ำซ้ำซักๆักนค่านพระเจ้าใช้คำเนี้ยฝึกซ้ำซ้ำซักซฝึกซ้ำซ้ำซักซัถูกฝึกเนืองเนืองนจนกระทั่งหมดประโยชน์เนือหมดประโยชน์หมดความเสพผิดดิ้นรน ในข้อต่างๆอันนี้ฟังก็ดีนะเพราะฉะนั้นอย่างเวลาที่เราเราสัมมาวาจาเอาง่ายๆบางทีคนเราก็คิดว่าเราทําดีแล้วนะ่ะแต่พอเจอวาจาที่ไม่น่าพอใจมากระทบปุ๊บอย่างเงี้ยอ่ามันมันยังมีพยศไงตัวนี้ถ้าเราคิดว่าเราจะสวนปุ๊บเนี่ยอ่าแสดงว่าคุณมีพยศในจิตนามพยศนี้เป็นอะไรอาจจะเป็นอ่ามิจฉาเป็นพยศของสัมมาสังกปปะก็ได้อาจจะเป็นพยศของสัมม า, า, า, จจมาวาจาก็ได้อ้าวเงินคุณต้องถูกทดสอบอีก ต้องทดสอบทดสอบทดสอบแล้วทดสอบแล้วจนกระทั่งผ่านนั่นแหละจนกระทความพยศความเสพติดดิ้นรนที่อยู่ในใจมันไม่มนะีเราถึงจะผ่านยีนะ้คพอท่านยกตัวอย่างปุ๊บดิฉันเข้าใจว่าดิฉันและท่านอื่นๆไม่ว่าดิฉันว่าเวอยู่คนเดีย ว, ค, ยวคงจะมีหลายๆคนรู้สึกเหมือนกันอ้าวเรากําลังเป็นอยู่เลย <c oughs> นะคะ <c oughs> คือเหมือนกับว่ามันขมไม่ได้ตลอดอื <c oughs> มันก็พยศขึ้นมาอีกใช่ใช่ดังนั้นถ้าทําตามพระพุทธองค์ก็ต้องฝึกเข้าไปอีกใช่ ศึกซ้ำซ้ำซากซากเข้าก็หมดพยศต่างๆในสิบข้อเหล่านั้นถูกต่างแต่ทีนี้ท่านบอกว่าบทนี้เนี่ยเหมือนกับท่านพระพุทธองค์เนี่คะ่ะตั้งใจที่จะบอกสอนกับพระภิกษุแต่ว่าถ้าพูดถึงบุุรสี่คู่อย่างอารหัตตะผลหรือว่าตั้งแต่โสดาบันเนี่ย ก็เคยได้ยินว่าคนธรรมดาธรรมดาก็สามารถที่จะไต่เต้าบรรลุในสิ่งเหล่านี้ได้ได้ใช่อนุโลมใช้กับคนธรรมดาด้วยได้ไครโอ้ข้แรกเลยดูอย่างเราเราพูดถึงข้อแรกอย่างม้าเนี่ยรับสวมบัตเหียนนะีเป็นงานที่ง่ายมากนะแล้วก็รับแอกรับสมบัตเหียนนี่คือที่ติดอยู่ตรงตรงปากมันใช่ไหมแอกนี่ก็คือจะติดอยู่ที่หลังมันอานอานม้านั่นแหละนะซึ่งเป็นอันที่ง่ายๆแล้วทีนี้นะเรากำลังพูดถึงอย่างเช่นว่าโสดาปฏิมาคอย่างเนี้ย โซดาปฏิมากรเนี่ยไม่ได้มีอะไรยากเลยเป็นแค่ว่าเรามีความเห็นว่าสิ่งที่เราเห็นตาหูจมูกลิ้นกายเฉยๆมันไม่ค่อยเที่ยงนะแต่ตื่นเช้ามาเรารู้สึกว่าเออโทรทัศน์ที่เราดูขับรถไปกินข้าวอะไรเนี่ยมันไม่ค่อยเที่ยงแค่นี้คุณเป็นโสดาปฏิมากรละ mm. อือทีนี้มันจะมีความเสพติดดิ้นรนนะมันมีความประโยชน์ตรงที่ว่าบางอย่างเราชอบบางอย่างเราชอบเราก็เผลอเพลิน ล, ลืมไปว่าไอ้อันนี้มันไม่เที่ยง อันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ที่มันจะเกิดขึ้นจากการเปรียบเหมือนการสวมบางเหียนการรับแอกง่ายๆอย่างนี้ค่ะทางนี้และทางนั้นจะไปบรรลุธรรมขั้นใดได้นีก็ต้องเข้าใจก่อนว่าคุณสมบัติของการจะไปถึงการบรรลุในแต่ละขั้นนั้นเป็นอย่างไดดังเช่นขั้นตอนของโสดาบันซึ่งท่านพิบูลได้กล่าวไปแล้วว่าการที่มองเห็นความไม่เที่ยงใช่ใช่ ของทุกอย่างเลยหรือเปล่าคะอ่ะแค่มีความเชื่อมีจิตน้อมไปเท่านั้นเองของตาหูจมูกลิ้นกายและใจหกอย่างค่ะนะครับทีนี้ไอ้ที่เราเราเห็นมีความเชื่อมีจิตน้อมไปเนี่ยนะคืออาจจะยังไม่ได้เห็นทราบซึ้งถึงในใจแต่คือใจยังปล่อยวางอะไรไม่ได้ล่ะแต่มีความเชื่อมีจิตน้อมไปว่าเออมันไม่ค่อยเที่ยงนะฉันฉันเชื่อว่าอย่างนี้ละนะแค่มีความเชื่อมีจิตน้อมไปเนี่ยไอ้คุณเป็นโสดาปฏิมาขะนะอย่างนี้เลยค่ะอื นะค ะ, ะดูเหมือนกับง่ายจริ ง, รงๆเลยท่านเนี่ยแค่ๆ <7 S 2> เป็นสิ่ ง, งที่ไม่ยาก ไ, <ป>ไม่ยากไม่ยากอืมค่ะ<ๆ>งั้นสมมตุติถ้าจะพูดถึงว่าเมื่อเรารู้วิธีละเราก็พยายามอย่างที่ท่านบอกว่าเดินบนมัดคือเดินบนเส้นทางที่เห็นความไม่เที่ยงของตาหูจมูกลิ้นกายใจยละแต่ว่ายังไม่วายมีพยัตพยศโน่นพยศนี่อยู่ซึ่งต้องฝึกซ้ําๆซักซ ใช่ไหมคะใช่ใชด้วย อ, อริยมรรคมีองค์8ทั้งหมดคือสัมมาดังกล่าวนั้นบวกสัมมาญาณะกับสัมมาวิม <im> <im> ุตติวิมุตติเพื่อหรือเปล่าคะอันนี้ก็คือเป็นขั้นเป็นตอนไปเป็นขั้นเป็นตอนไอ้ที่ว่าโดนซ้ำซ้ำาๆ ซ, ซา ก, ซากเนี่ยคือถูกผัสสะนั้นบ่อยๆนะถูกผัสสะที่คุณทําไม่ได้ น, ะะนั่นแหละนับบ่อยๆเพราะฉะอย่างกรณีกรณีเนี้ยเขาก็จะเอาบางเหียนมาสมคุณเรื่อยๆเรื่อยๆนะเอาออกใสใ่ใม้อออกใส่ใหม่ เพราะภาษาบางอย่างเช่นเรายั ง, ย, งยังไม่เห็นจริง ๆ, ๆเช่นเอาง่ายๆดูท<ช>ีวีหรือว่าฟังเพลงพวกนี้นะซึ่งถ้าเราฟังแล้วฟังเล่าฟังแล้วเขาเลาเราก็ยังไม่ได้เห็นโทษของมันเราก็ต้องฝึกบ่อยๆตรงนี้ท่านคะ เ, เมื่อสักครู่ได้พูดไปในเป็นส่วนของการสร้างเหตุของเรื่องโซดาบัลทีนี้จะเกิดโซดาปฏิผลเราจะรู้ได้อย่างไรคะท่านคะโสดาปฏิผลนี่ต่างกับมาร์กตรงที่ว่าสา ม, มารถ วางเครื่องรอยรัตที่ภาษาบาลีเขาใช้คสั่งยช์ได้3อย่างนะเช่นว่าเราจะไม่มีความสงสัยไม่มีความลังเลไม่มีความเคลือบแคลงเลยว่าไอเนี่ยมันไม่เที่ยงนั่นคือวิจิกิจฉานะเราจะเราจะไม่สงสัยไม่เคลือบแคลงเลยนะนี่คือข้อที่1ถัดมาเราจะมีกุ ม, มามาทิฏฐิชนิดที่เรียกว่าแน่นอนมั่นคงมั่นใจนะนี่คือข้อที่2ข้อที่3ก็จะมีก็เรียกว่า การปฏิบัติชนิดที่ว่ารูปรูปคคลำๆไม่ใช่เป็นหนนทางของมร์เนี่ยอะไรที่มันไม่ใช่ที่พระเจ้าบัญญัติไว้เราจะวางได้เราจะไม่ทําสิ่งนั้น <Okay. S 1> อันนี้ก็คือเขาเรียกว่าสังโยชน์สามอย่างแรกนะที่เครื่องร้ายรัตสามอย่างแรกที่โซดาบันที่เดินตามมร์มาแล้วละสามอย่างนี้ได้เพราะว่าแต่คุณก็เป็นโซดาปฏิผลขึ้นมาอ๋อค่ะเท่ากับว่าเราสามารถที่จะพิสูจน์เขาเรียกอะไรคะวัดได้มันได้ใช่ ม, มีเครื่องวั ด, <ๆ>วด ว่าเราได้พบว่าขณะนี้เราไม่เคลือบแคลงสงสยัยละเรามีสัมมาทิฏฐิแน่นอนแล้วมีความมั่นคงมีความมั่นใจในเรื่องของการที่เห็นความไม่เที่ยงในอายตนะทั้งห้านั้นแล้วกับวางการปฏิบัติเลยค่ะอ่าวางความสงสยัยวางความเคลือบแคลงได้วาง อ, อันสุดท้ายค่ะท่านคะอะไระที่ว่าลูกคลั่ง ก็คือการ<ม>ปฏิบัติชนิดที่เรียกว่ารูปรู ป, รปคลำคลำสีศีลวัดที่รูปกรลำศีละปะตัตประมาทอ่าค่ะคือที่ผิดเพี้ยนไปจากที่ผู้ทธองคทรงสอนใช่ที่อะไรที่พุรุชาไม่ได้บัญญัติอไว้ก็ไม่มทาําล่ะทําเฉพาะที่บอกสอนไว้เท่านั้นค่ะท่านพยายามย้มําว่าวางเครื่องร้อยรัศมสามประการหรือว่าสังโยน์แปลว่าเครื่องร้อยรัศมีมีมากกว่านี้อีกมีสิบอย่างด้วยกันมีสิบอย่า ง, างใช่ ในขั้นแรกก็3อย่างแค่นต่อมาก็วางได้5อย่างก็เป็นอนาคามีถ้าวางได้ทั้งหมด10อย่างเลยนี่ก็เป็นขั้นอเอกะคือเป็นขั้นพระอรันอ๋อค่ะเวลาที่เหลืออยู่นี้ท่านพอจะอธิบายหน่อยได้ไหมคะว่าถ้าเป็นอนาคามีเร็วๆ เ, เนี่ยต้องทำอย่างไรหรือว่าเอาไว้วันถัดไปเฮ้ยถ้าพูดถึงความเป็นอนาคามีเนี่ยเรื่องของอกามคือตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยเขาจะสามารถละได้ ความสุขที่เกิดทางตาหูเนี่ยพวกนี้จะละได้นะก็จะมีความละเอียดมากขึ้นนะส่วนความเป็นบาอาจารเนี่ยก็จะละได้ถึงความเป็นตัวตนนะคือคนเราเนี่ยมันจะติดอย่างหยาบๆก็ติดที่ตาหูจมูกลิ้นกายในะเรื่องของกามอ่ะถ้าคุณเห็นว่ากามมันไม่เที่ยงแต่ยังละไม่ได้หรอกอันนี้คุณเป็นโสดาบันอ้าวถ้าคุณเห็นว่าไอ้กามนี่ไม่เที่ยงแล้วคุณละได้ด้วยอันนี้คุณเป็นอนาคามีนะทีนี้ไอ้ที่ว่าคุณละกามได้แล้วมันก็ยังเหลือความเป็นตัวตนอยู่ ถ้าคุณละวางความเป็นตัวตนได้ด้วยอันนี้คือเป็นบาอาจารย์ซึ่งเกณฑ์ในการแบ่งของสังโยชน์ที่สิบอย่างเนี่ยถ้าซอยย่อยก็ได้1ิบอย่างถ้าแบ่งหยาบๆก็ได้สามส่วนตรงนี้ค่ะนะที่อยากจะให้ท่านได้พูดออกมาให้หมดเนี่ยก็เพื่อทำให้ท่านทั้งหลายที่เป็นท่านที่ฟังแล้วก็ไม่ค่อยจะมีเวลาที่จะฟังอย่างประติดประตอ่อก็ยังได่เห็นภาพว่ามีความ ต่อเนื่องอย่างนี้ถ้ามองครบบริบูรณ์จะเป็นอย่างนั้นถ้ามองเป็นขั้นเป็นตอนจะเป็นอย่างนี้จะได้เกิดความรู้สึกว่าเราอยากไปต่อเหมือนกันใช่ใช่ประกาหนึ่งในในเรื่องนี้เป็นการสรุปก็คือว่าผู้รู้เช่าเนี่ยเปรียบพระองค์เองเป็นเหมือนผู้ที่ฝึกมาเป็นควานเป็นควานม้าก็เรียกว่าอะไรผู้ฝึกม้าที่สามารถคือเป็นผู้ที่ฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งไปกว่าสามพวกทั้งหลายเนี่เป็นเสมือนม้า นี้เราเนี่ยเราทั้งหลายที่ฟังรายการเนี่ยเป็นก็เรียกว่าม้าอาชาไนด้วยนะเป็นม้าอาชานัยพันธุ์ดนะีแตเพราะว่าถ้าเรามีความคิดว่าเออเราจะฟังทำมีความคิดว่าเราจะตั้งมั่นในศีลแสดงว่าเรามีชาติอาชาไนละนะแต่ด้วยความมีชาติอาชาไนเนี่ยบางทีเราอย่างอาจจะยังฝึกไม่เสร็จแต่เพราะนั้นผ่านมาผ่านกระบวนการฝึกเพื่อฝึกให้มันมีความเป็นอาชานัยเกิดขึ้นเนี่ยจะดีมากทีเดียวค่นะแม ก็ย้ำให้ยินดีอีกสักครั้งหนึ่งหลังจากที่ท่านเคยพูดในตอนที่เราได้พูดถึงพระสูตรเกี่ยวกับม้าอาชาไนาอีกพระสูตรหนึ่งไปว่าการที่สนใจเข้าหาคําสอนของพระาศาสดาฟังรายการสัญนีสนทนา น, นี้เป็นต้นเนี่ยนะคะเท่ากับว่าเราเป็นชาติอาชาไนาแล้วค่ะก็จะได้ฝึกกันต่อไปเพื่อที่จะได้เป็นม้าอาชาไนาท่านคะทีนี้ กลับไปข้อที่หนึ่งก่อนโสดาบันถ้าหากว่าอยากจะทำให้การเห็นความไม่เที่ยง เ, ยเกิดได้เร็วขึ้นแล้วก็เป็นวิธีที่ถูกต้องมากขึ้นจะทำอย่างไรคะวิธีการที่จะทำให้ได้เร็วมากขึ้นนะคือเราต้องบ่มอินทรียนะ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศรัทธานะเรื่องของสติเรื่องของสมาธินะเรื่องความเพียรพวกนี้ถ้าเราทำมากๆ แล้วก็เป็นอก้ากระบวนการนี้เป็นมันจะเพิ่มได้จากการที่เราทําซ้ําๆย้ำๆแล้ถูกฝึกซ้ําๆซักๆเดี๋ยวสตาก็เพิ่มฝึกซ้ําๆซักๆสติเพิ่มสมาธิเพิ่มอันนี้จะทําให้เราบรรลุได้เร็วนะคะแล้วก็วิธีที่เราจะบ่มเพาะก็คือการที่เราได้ฝึกสร้างสติฝึกการปฏิบัติอย่างกับที่ตอนต้นของรายการสันสีสนทนาได้ให้โอกาสท่าน โดยมีพระอาจารย์เทวุณทริปุ โ, น, โ น, นนะคะเป็นผู้นําในการปฏิบัติเป็นประจําทุกวันนั่นเองใช่ไหมคะใช่คะ่ะใช่ไหมคะแล้ว <laughs> ก็ฝึกกันต่อไปแล้วเช่นเข้าใจนะคะวา่าเวลาที่เรากําลังมีความกังวลอย่างช่วงเนี้ยมีคนพูดถึงความกังวลในเรื่องของความไม่แน่นอนของการเมืองเยอะนะคะดิฉเข้าใจว่าถ้าเราฝึกปฏิบัติอย่างนี้น่าจะทําให้ระวางใจได้ดีกว่าคนอื่นไม่ว่าความไม่เที่ยงอะไรจะเกิดขึ้นก็ตาม นั่นก็หมดเวลาเลยค่ะท่านอาจรย์เจ็บปนก่อนมหการขอบพระคุณท่านพุทบูรตัญาอย่างยิ่งนะคะทุกนี้มีมนุ์ใหม่นะคะเจ็บปานมหการขอบพระคุณค่ะในุงังที่ครบค่ะแล้วนั่นก็คือพระพิบูลอภิปุโ น, โนนะคะจากวัดต่าดอนหายโศอุดรนทานท่านก็เมตา ก, กับพวกเราอยู่เสมอนะคะอย่างกับในช่วงของการบันทึกรายการเนี่ยเป็นห่วงเวลาที่มีคอร์สปฏิบัติธรรมซึ่งท่านจะมีกิบของท่านเนี่ยเรียกว่า ทุกเวลานาทีเลยก็ว่าได้จะต้องนัดหมายกันว่าเอาตอนนี้นะจะว่างเท่านี้ก็จัดวางเวลาให้กับพวกเราจนกระทั่งสามารถที่จะทํารายการอย่างสม่ำเสมอได้นะัสุการณขอบพระคุณท่านอีกครั้งนะคะแล้วก็ยินดีท่านทั้งหลายที่โชคดีไม่ต้องไปถึงวัดที่อุดอรก็สามารถที่จะเข้าถึงคําสอนของพระาศาสดาด้วยการตกธรามที่ถูกติดด้วยผู้ทวจนะ ในรายการ น, น, นี้สันมนาเดินทานรายการโดยที่ันสันสนนมมนาคงได้ติดตามรับฟังรายการกันใหม่นะคะในวันพรุ่งนี้วันนี้ทุกว่าสวัสดีค่ะ